นต่อความเจ็บใจก็เช่นเดียวกันก็จะต้องมีความอดทนต่อถ้อยคำที่กล่าวมาไม่ดีที่ทิมแทงเสียดแทงจับจ้วงล่วงเกิน อันเป็นชนวนให้เกิดโทสะถ้าเกิดโทสะขึ้นมาก็แปลว่าอดทนอดกลั้นไว้ไม่ได้รับไว้ไม่ได้นั่นแหละคือคดอาสวะก็เกิดขึ้นมาแต่ถ้าหากว่ารับเอาไว้ได้ อันหมายความว่าไม่พ่ายแพ้ต่อถ้อยคำเช่นนั้นแม้ว่าจะบังเกิดปฏิฆะ คือความกระทบระทั่งใจหงุดหงิดหรือความเครียดความขึ้นเทียบขึ้นมาในใจ ก็ต้องอดกลั้นเอาไว้อดทนเอาไว้ระบายให้หายไปให้สงบไปอันเป็นกิจที่บุคคลผู้ปฏิบัติธรรมะพึงทำได้และก็มีโอกาส ที่จะต้องประสบทุกขเวทนาเกิดในภายในเช่นเกิดจากอาพาธป่วยไข้หรือแม้ว่าทุกขเวทนาที่บังเกิดขึ้นเพราะดินฟ้าอากาศ ที่หนาวร้อนเป็นต้นอันเกินไปซึ่งเป็นเครื่องเบียดเบียนไม่ใช่เป็นเครื่องธนุบำรุงแต่เป็นเครื่องเบียดเบียนก็เป็นทุกขเวทนาขึ้นถ้าไม่มีความอดทนอดกลัน้น จะทำให้เกิดความเดือดร้อนกระสับกระส่ายหงุดหงิดก็เป็นอาสวะขึ้นมาแต่ถ้าหากว่ามีความอดทนอดกลัน้นรับเอาไว้ได้ยับยั้งเอาไว้ได้อาการที่หงุดหงิดกระสับกระส่าย ต่างๆก็ไม่บังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความฝึกหัดให้เป็นภูสามารถรับเอาไว้ได้ยับยั้งเอาไว้ได้หรือรับเอาไว้อยู่รับรังยับยั้งเอาไว้อยู่รับเอาไว้อยู่ อันเรียกว่าอดทนอุกลัณนนี้เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติท ร, รมพึงปฏิบัติได้แต่ว่าเรื่องของเหตุปัจจัยที่จะทำให้บางเกิดความตรากตราหรืออาจจะให้เจ็บใจให้ลำบากทั้งโงลังกล่าวมา เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นไปอยู่เช่นว่าหนาวร้อนเป็นต้นก็เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นไปอยู่ถ้อยคำที่กล่าวมาไม่ดีที่จับจองลงเกินก็เป็นเรื่องของคนอื่นเขา เึ่อเขาอาจจะพูดเมื่อไรก็ได้เขาอาจจะว่ามาเมื่อไรก็ได้พุกเขเวทนาต่างๆอันเกิดจากอาพาธป่วยไข้เป็นต้นหรือแม้เกิดจากเครื่องเบยดเบียนต่างๆก็เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นไปอยู่ จะห้ามไม่ให้มีนั่นไม่ได้บางทีก็เป็นเรื่องของธรรมชาติบางทีก็เป็นเรื่องของคนอื่นบางทีก็เป็นเรื่องของธรรมดาเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่จำต้องรับเมื่อ เกิดมาในโลกนี้ก็จำต้องรับสภาพของดินฟ้าอากาศหนาวร้อนเป็นต้นเมื่ออยู่ร่วมกันเป็นหมู่ก็จำต้องรับถอยคำที่คน น, นั้นคนนี้พูดดีบ้างไม่ดีบ้างและเมื่อมีชีวิตสังขารก็จะต้องมีทุกขเวทนาที่เกิดจากอาภารตต่างๆเป็นต้นแปลว่า จะต้องพบกับภาวะเหล่านี้จะต้องรับภาวะเหล่านี้โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องหัดว่าต้องรู้จักรับ คือรับยับยั้งเอาไว้รับไว้อยู่รับไว้ได้นี่แหละคือขันติที่ได้กับความอดทนหรือความอดกลั้นดังกล่าวนั้นซึ่งทุกคนจำเป็นจะต้องมีแต่หากว่า ขาดขันติคอนนี้แล้วอาสวะทั้งหลายก็บังเกิดขึ้นทำให้เกิดความขับแค้นทำให้เกิดความเดือดร้อนมากดังคนที่อ่อนแอหนักไม่เอาเบาไม่สู้หนาวไม่สู้ร้อนไม่สู้ เหล่านี้เป็นต้นก็ไม่สามารถจะประกอบการงานอะไรให้สำเร็จได้หรือคนที่ได้รับถ้อยคำอะไรเขานิดหน่อยก็โกรธใจน้อยไม่มีความอดทน เรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่ไม่ควรจะเป็นเรื่องก็เป็นเรื่องความเถละวิวาทจนถึงทำร้ายซึ่งกันและกันมันเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้เป็นอันมากขาดความอดทนเพียงนิดเดียวเท่านั้นในเบื้องตน้นก็ไปกันใหญ่ทุกขเวทนาทั้งหลาย ที่เกิดจากอภายเป็นต้นก่นเนเดียวกันเจ็บนิดก็ไม่ได้เจ็บหน่อยก็ไม่ได้ขาดความอดทนไข้เล็กก็เลยเป็นไข้ใหญ่แถมใจเสาอีกด้วยแล้วก็เลยเพิ่มไข้ที่มีอยู่แม้ไม่มากนะักให้มากขึ้นไปอีกได้ แต่ต้องหากว่าฝึกหัดให้สามารถรับเอาไว้อยู่รับเอาไว้ได้ยับยั้งเอาไว้อยู่ยับยั้งเอาไว้ได้แล้วจะสามารถที่จะเอาชนะต่อเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์ทั้งปวงเหล่านี้ได้และความอดทนอดกลั่นนั้น ก็เป็นสิ่งที่ฝึกหัดปฏิบัติได้ทั้งทางร่างกายและทั้งทางจิตใจร่างกายและจิตใจนี่จำเป็นที่จะต้องสร้างความอดทนให้บังเกิดขึ้น ให้ร่างกายมีความแข็งแกร่งมีความทนทานต่อภาวะดังกล่าวทั้งหลายดังจะเรียกว่าภาวะแวดล้อมดังที่กล่าวกันจิตใจ ก็เหมือนกันก็จำเป็นที่จะต้องฝึกหัดให้มีความอดทนอดกลั้นให้มีความแข็งแกร่งต่อภาวะทั้งหลายดังกล่าวและเมื่อได้ฝึกหัดปฏิบัติให้มีความอดทนอดกลั้นดังกล่าวนี้ ก็ทำให้เกิดความแข็งแกร่งทั้งทางกายทั้งทางใจเมื่อเกิดความแข็งแกร่งขึ้นใดเพียงใดเมื่อกระทบกับภาวะแวดล้อมทั้งหลายก็จะทำให้สามารถที่จะต้านทานได้มากเท่านั้นร่างกายที่ต้านทานได้มากก็จะทำให้ เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ยากจิตใจที่ต้านทานได้มากก็จะทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บทางจิตใจก็คืออาสวะทั้งหลายนี่แหละได้ได้ได้ไ ด, ไ ด, ไ ด, ไดยากขึ้นก็เหมือนอย่างสิ่งทั้งหลายที่ดํารงอยู่ได้ก็จะต้องมีความแข็งแกร่ง มีความมั่นคงอยู่ในตัวต้นไม้ที่ยืนต้นอยู่ได้ก็ต้องมีความแข็งแกร่งต้องมีความมั่นคงอยู่ในต้นไม้นันเมื่อลมพัดมาต้นไม้ที่มีความแข็งแกร่งย่อมทานกำลังของลมไหวไม่หักโคน่น แต่ว่าต้นไม้ที่มีความแข็งแกร่งน้อยถูกลมพายุพัดมาก็หักโคน่นได้งา่ายแต่ถ้ามีความแข็งแกร่งมากก็หักโค่นยากถ้าเป็นพายุธรรมดาก็ไม่หักไม่โคน่นดำรงอยู่ได้บุคคลเราก็เหมือนกัน กายและจิตใจดํารงอยู่ได้ก็โดยอํานาจของความแข็งแกร่งอันเกิดจากความอดทนอดทนเหล่านี้เองต่อภาวะแวดล้อมทั้งหลายและก็เหมือนอย่างต้นไม้ต้องพบกับลมที่พัดมาอยู่เป็นต้นเป็นประจำร่างกายและจิตใจของบุคคลเราก็ต้องพบกับเครื่องแวดล้อม ที่เป็นเครื่องเบ็ดเบียนทั้งหลายอยู่ทุกวันเหมือนกันร่างกายดํารงอยู่ไม่เจ็บป่วยไม่ใช่ว่าไม่มีปัจจัยเครื่องเบ็ดเบียนแต่มีอยู่โดยรอบแต่เพราะมีความแข็งแกร่งยิงอดทนอยู่ได้ไม่ล้มเจ็บป่วยจิตใจที่ดํารงอยู่ได้ก็เพราะมีความอดทนกดกลั้นเป็นความแข็งแกร่งที่ไม่ ล้มไปตามเครื่องแวดล้อมก็คือไม่เกิดอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นเครื่องทำให้เดือดร้อนทุกข์ร้อนต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นขันตินี่เองคือความอดกลั้นอดทนอดกลั้นต่อภาวะแวดล้อมทั้งหลายที่ทุกคนต้องรับ แต่วรับไว้ได้รับไว้อยู่ด้วยความอดทนอดกลัน้นแต่ในการปฏิบัติธรรมขั้นติคือความอดทนอดกลั้นนี้ต้นในการหัดปฏิบัติอดทนอดกลัน้นในเหตุการณ์แวดล้อมธรรมดาที่สามารถอดทนอดกลั้นได้ซึ่งก็มิใช่หมายความว่าอดทนต่อหนาวร้อนนั้น จะไม่ต้องใช้ปัจจัยเครื่องอาศัยคือผ้านุ่งห่มหรือผ้าห่มสําหรับป้องกันตากแดดกลาฝนก็นอยู่ตลอดวันโดยไม่ต้องมีการหลบไม่ใช่หมายความอย่างนั้นจําเป็นจะต้องใช้ปัจจัยเครื่องอาศัยติดอารย์สอนไว้พิจารณา ในข้อที่สามนั้นต้องใช้เป็นแต่เพียงว่าต้องมีความอดทนก็ช่วยด้วยดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าบริโภคก็บริโภ ค, าโภคตามเวลาแต่ว่าเมื่อไม่ใช่เวลาหิวขึ้นมาก็ต้องอดทนเอาบ้างหรือว่าขาดตกบกพร่องไปก็ต้องอดทนเอาบ้างตามที่ควรจะอดทนได้หนาวร้อนก็ต้องใช้ผ้า หรือเครื่องป้องกันต่างๆเป็นต้นแต่ก็ต้องอดทนเอาบ้างเท่าที่เพิ่งจะอดทนได้หมายความอย่างนั้นแต่ว่าถ้อยคำล่วงเกินนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะใช้ผ้ามาป้องกันแต่ว่าต้องใช้ขันติในใจนี้เองป้องกัน คือมีความอดทนอดกลัน่นและใช่โสเลจะที่แปลกันว่าความสงเงียมคือทำใจให้สบายหมายความว่าระบายออกระบายออกไปจากใจให้ใจสบายไม่เก็บขังเอาไว้เพราะว่าความเจ็บใจนี่เมื่อเขาว่าก็อาจจะมี แต่ว่าถ้าระบายออกไปได้ไม่เก็บมาเอาไว้ในใจหายความเจ็บใจไปใจก็สบายความที่มีใจสบายนี่แหละคือโสราจต้องหัดปฏิบัติรู้จักระบายด้วยถ้าหากว่าระบายไม่ได้เก็บความเจ็บใจเอาไว้ ความเจ็บใจอันนี้ก็มาขึ้นมาขึ้นก็ต้องระเบิดก็แปลว่าอดทนไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องรู้จักระบายระบายความเจ็บใจเป็นตนนี้ให้น้อยลงไปน้อยลงไปหายไปจนใจสบายต้องใช้ปัญญาใช้สติพิจารณาต่างๆว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นั้นจะเป็นโทษไม่เก็บเอาไว้ นี่ละคือโสรจะคือมีขันติแล้วก็ต้องมีโสรจะคือไม่เก็บเอาไว้ในใจระบายออกไปให้หายให้ใจสบายใจสบายก็คือเป็นโสรจะเพราะฉะนั้นขันติข้อนี้จึงเป็นข้อสำคัญซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้ ซึ่งมีอัิวาสนะความที่ยับยั้งไว้อยู่รับไว้อยู่หรือว่ายับยั้งไว้ได้รับไว้ได้ต่อภาวะไว้ได้นี่แหละคือตัวคันติและเมื่อหัดบ่อยๆจนเป็นความแข็งแกร่งขึ้นได้แล้วก็จะเกิดความทนทาน เป็นขันติอีกอย่างหนึ่งที่แปลว่าความทนทานโดยไม่ต้องทำความอดกลั้นหรืออดทนแต่อย่างไรเหมือนอย่างภูที่ปฏิบัติหัดรับคำว่ากล่าวล่วงเกินติฉินนินทารับไว้ได้รับไว้อยู่ ยับยั้งเอาไว้ได้ยับยั้งเอาไว้อยู่บ่อยๆจนไม่ก่อให้เกิดความเจ็บใจขึ้นแม้แต่น้อยคือฟังได้อย่างสบายๆเรียกว่าฟังได้อย่างฟัง ลมพัดใบไม้เป็นต้นคือฟังเสียงคนได้อย่า ง, างฟังเสียงลมฟังได้อย่างสบายๆไม่ก่อให้เกิดกิเลสอันใดขึ้นมาใจมีความทนทาน ดังนี้ไม่เกิดความลำบากในการที่จะต้องอดทนอดกลั้นอะไรจึงเป็นคันดังหนึ่งึงเป็นคันติสมบูรณ์เรียกว่าตีติขาคันติคันติที่มีลักษณะเป็นตีติขาคือความทนทานเหมือนอย่างภูเขาหินล่วนลมพัดมาก็ไม่ไหว คือไม่มีวันไหวอยู่ในใจแต่ว่าต้นไม้นั้นลมพัดมายังไหวแต่ถ้ามีความทนทานก็ไม่หักไม่โค่นจิตใจสามัญก็เหมือนกันในขณะที่ปฏิบัติขันตินั้นลมปาดพัดมาก็ยังไหวแต่หากว่าเรามีความ อดทนอดกลัน้นก็ดำรงอยู่ได้ไม่หักไม่คนไม่ตามลมปากแต่ว่ายังไหวใจที่ยังไหวอยู่นี่แหละที่ต้องใช้คันติคือความอดทนอดกลัน้นที่เป็นอธิวาสนาคือรับเอาไว้ได้รับเอาไว้อยู่คือยังต้องรับอยู่ แต่ว่ารับมาแล้วก็รับเอาไว้ได้รับเอาไว้อยู่ไม่หักไม่โคดเหมือนอย่างต้นไม้ที่ลมพัดมาก็ไหวก็รับเอาไว้ได้รับเอาไว้อยู่ต้นไม้ไม่หักไม่โคดคันติชนิดนี้มีอธิวาสนะเป็นลักษณะแต่คันติที่มีความแข็งแกร่งขึ้นจริงๆแล้วเหมือนภูเขาหินลมพัดมาไม่ไหวจิตใจที่มีคันติ ที่สมบูรณ์ก็เหมือนกันลมปากเป็นต้นพัดมาก็ไม่ไหวนี่มีติติขาคือความทนทานเป็นลักษณะอันเป็นความแข็งแกร่งอย่างสมบูรณ์ซึ่งจะบังเกิดขึ้นได้จากการฝึกขัดปฏิบัติไปโดยลำดับพระพุทธเจ้าจึงได้จัดสรรเสริญขันติไว้เป็นอันมาก เปนว่าขันติเป็นกำลังของผู้บาเพ็ญพรตหรือของนักพรตเป็นต้นขันติพร้อมทั้งโสรจจะเป็นธรรมะที่ทำให้งามต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวนและตั้งใจทาความสงบสืบต่อไปบัตรนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรม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 จะแสดงพระพุทธเจ้าทรงสอนกรรมฐานตามสภาสังวรสูตรเรยว่าด้วยการสำรวมระมัดระวังป้องกันละ อาสวะทั้งหลายทั้งหมดนำสติปัฏฐานในพระสูตรนี้พระบรมศ า, ศาสดาได้ตรัสสอนให้ปฏิบัติละ ราสวะอิเลสที่ดองจิตสังดานทั้งหลายด้วยวิธีทัศนะคือใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้ให้เห็นใช้วิธีสังวร สำรวมระวังป้องกันอินทรีย์อันเรียกว่าอินทรียสังวรใช้วิธีบริโภคเสพปัจจัยทั้งสี่ใช้วิธียับยังไว้อยู่รับไว้อยู่ คือชายขันติความอดทนอดกลั้นซึ่งได้แสดงแล้วต่อจากนี้ได้ตรัสสอนให้ใช้วิธีงดเว้น ในวิธีนี้ได้จัดสอนให้ภูปฏิบัติธรรมะเพื่อละอาสวะกิเลส ท, ที่ดองจิตสังดานทั้งหลายละเวน้นทางร้ายมารายโคร้ายโคดุ สุนัขร้ายสุนัขดุงดเว้นงูงดเว้นที่ที่มีตอเป็นอันตรายที่ที่มีขวากน้ำเป็นอันตรายเว้นบอ่อ เว้นเหวลึกอันตรายเว้นที่น้ำคลำเว้นที่สกรปรกทั้งหลายและสรมมจารีคือผู้ประพฤติทธรร่วมกันซึ่งเป็นวิญโยคือเป็นภูรู กำหนดลงในที่อันใดว่าเป็นที่ลามกต่ำาสามและกำหนดว่าูที่นั่งในที่ไม่ควรนั่ง เช่นใไดไปในที่ที่ไม่ควรไปเช่นใด